เมื่อก่อนเดือนหนึ่งรับสามงานซาลาลูสินซะหนึ่งอย่างนี้เกินละบางเดือนน่าห้าหกงานเข้ากรุงเทพบ่อยๆกรุงเทพไม่น่าเข้าคนไม่มีความสุขนะคนแต่พวกเราไปดูพวกที่ลงเรือพวกที่ลงเรือนะความรู้สึกก็จะต่างกับพวกที่นั่งรถ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 อยากช่วยคนน้นคนนี้อะไรย่รางเงี้ยเขาก็อนุโลมว่ามีสติเหมือนกันเพราะจิตเป็นกุศลแต่ในสายตาของพวกเราผู้ปฏิบัตินะีถ้าเมื่อไหรรู้กายรู้ใจได้ก็เรียกมีสติเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเราก็เรียกขาดสติวันๆในโลกมีแต่คนขาดสติแระทั้งคนดีก็ขาดสติในความหมายของนักปฏิบัติไม่รู้กายไม่รู้ใจ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 ไม่มีหรอกพูดซื่ อ, อจี่ส่งออกนอกเป็นสมูทัยก็เป็นจริงจังจิตเทนจิตใหแจ่มแจ้งเป็นมังก็เป็นจริงๆไม่เห็นว่ามันจะเป็นเป็นปริศนาไม่มีไม่มีมีมีไม่ ม, ม, ม, ม, ม, มีมีสองอย่างนะไม่มีมีมีไม่มีมมม อ, อย่างเดิมมีขัน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 เมื่อกี้ไม่มีความโกรธเดี๋ยวนี้มีถ้าแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีอันนี้แหละคือคำว่าอนิจจังเดี๋ยวนี้มีแล้วก็หายไปเคยมีแล้วหายไปอย่างโกรธอยู่แล้วมีสติขึ้นมาความโกรธหายไปของเคยมีแล้วก็ไม่มีก็เรียกอนิจจังของไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมาเขาเรียกอ น, นิจจังในคงที่เมื่อมันมีขึ้นมาแล้วมันทนอยู่ไม่ได้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 กายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับมันเฉนั้นจิตมีความโกรธทํำยังไงก็รู้ว่ามีความโกรธรู้ว่ามีความโกรธนี่รู้ด้วยสติต่อไปลึกซึ้งขึ้นรู้ด้วยปัญญาเห็นว่าความโกรธเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่ไปรู้ความโกรธก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่รู้ด้วยปัญญาร่างกายหายใจออกก็รู้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 จิตเข้าเคลียร์อยู่กับลมโดยไม่ได้เจตนาจะเข้าเคลียร์เรียกว่าวิจาร mm hmm. เห็นไหมการที่จิตนะเข้าไปเข้าเคลียร์โดยไม่เจตนานะเป็นวิจารณ์นะเนี mm ่ย hmm. พอถึงละเอียดเข้าไปแล้วมันจะไม่ใช่คิดละ่ะสรุปก็คือฟังไม่รู้เรื่องอีกแหละ mm hmm. <laughs> เพราะอะไรนึกสภาวะไม่ออกใช่ไหมออนึกสภาวะไม่ออกไว้เห็นสภาวะแล้วจะค่อยเข้าใจหรอกเนาะใจเย็นๆภาวนามันได้ขนาดนี้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 อีก60องค์ได้อภิญยาหกพวกนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะต้องชำนีชำนานในสมาธิมากเลยอีก60องค์เนี่ยเป็นอุปโ ต, ตภาควิมุดได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญา320ที่เหลือใช่ไหมคือสุขวิปัสสกะเดินมาด้วยปัญญาแห้งแรงแห้งจริงๆนะพั่จันถึงจนดหนึ่งจะแห้งผากเลยแห้งเหมือนทราย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 เทียบน้เหมือนคนเดินทางไกลถ้าไปแบบสุขวิปสัสสกาเนี่ยคล้ายๆแบกเป้ไปนะเดินไปเรื่อยนะถึงที่นี่คืนนี้ไม่มีน้ำอาบก็ไม่ได้อาบนะเดินต่อไปนะไม่มีข้าวจะกินไม่มีที่จะนอนนะนอนข้างถนนนอนใต้ต้นไม้กว่าจะถึงที่หมายปลายทางเหนื่อย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 อย่าดิ้นรนอย่าดิ้นรนนะจำไห้นะประโยคนี้ถ้าลืมเมื่อไหร่เราก็เสียเวลาอีกนานเลยรู้ซื่อไปแต่ถ้าใจแห้งแรงจริงๆนะไปอ่านธรรมะอ่านพระสูตรอ่านอะไรเงี้ยนะที่ชื่นใจ อ, อย่างหลวงพ่อถ้าอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติพระสาวกเราชื่นใจนะได้ปิตินะแล้วก็แช่มชื่นใจอยู่ช่วงหนึ่งมาเดินปัญญาต่อบางที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 เฉยซื้อบื้อก็มีนะต้องระวังตัวนี้ให้มากเลยะเฉยซื้อบือ้อตามเป็นไหม <c oughs> ถ้าเฉยสบายโปร่งเบาอยู่ น, นั้นถูกตอนนี่เฉยแบบไหนอ่ะเฉยแบบติดคิดอย่างนี้เ <c oughs> ฉยซื้อบื้อละนใจไม่มีความแช่มชื่นเลยเนไะ <c oughs> อย่าคิดมากคิดมากยากนาน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 มืดๆมัวๆเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นโมหะเรารู้ทันนะ่าจะหายเลยแต่ง่วงรู้ทันไม่หาย เ, เ อ, อ่อไม่เหมือนกันนะตะกรากับหิวก็ไม่เหมือนกันตะกร่านี่ถ้ารู้ทันนะหายเลยถ้าหิวรู้ทันก็ยังหิวอยู่ยนั่นแหละคนละอนไปดูต่อนึกว่าจะส่งกันบ้านว่าเมื่อเช้านี้มีโมหะผัสสายโมหะมากกว่าเก่าอย่างเงี้ยไม่แน่ใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นรู้สึกตัวไปได้ นะดูกายดูใจทำงานไปด้วยอา้าวคนนี้ตื่นเต้นไหมย ต, ต่นเต้นค่ะเรียกให้พ่อช่วยเวลาลูกจะส่งกันบ้านนะพ่อตื่นเต้นกว่าลูกอีกลุ้ น, น, น, น, น <c oughs> อ่าว่าไปก็เม <c oughs> ื่อวานนี้เดินจงกรมในกุฎนะคะ่ะแล้วก็แบบมันเหมือนกับเห็นว่ากายมันเดินอยู่แล้วใจมันก็ไปดูค่ะอดอ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 รู้ไปเรื่อยดีแล้วแยกขันได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะครับตัวผมไม่ถนัดการบริกรรมแบบพุทโธนะครับอถนัดอะไรล่ะก็อาจจะดูกายดูจิตเอาได้อันนี้จําเป็นต้องไม่ถ้าไม่ถนัดไม่ต้องทําก็ได้ยังเดินภาวนาได้ใช่ไหมเราก็ไปทํากรรมฐานที่เราถนัดสิหรือไม่ถนัดสักอย่างนะถนัดอะไรเอาวันนั้นอย่าไปบังคับจิตอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งให้แข็งแข็ง รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนะก็พยายามเขจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะรู้ลมหายใจอะไรก็ทําไม่ต้องเอาสงบหรอกทำเล่นๆไปงั้นแหละทําเพื่อจะได้ฝึกนิสัยตัวเองให้ไม่เป็นคนโลเลนะฝึกอย่างนั้นแหละพอเราทําทุกวันทุกวันนะใจจะค่อยมีแรงขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าทำแล้วมุ่งจะสงบมุ่งอะไรเงี้ยใจจะฟุง้งทำแล้วเหนื่อย ืันทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้ลมหายใจอะไรก็ทำไปเถอะทำเล่นๆถือว่ามีหน้าที่บูชาพระพุทธเจ้าปฏบบิบัติบูชาไปไม่หวังผลอะไรเดี๋ยวจิตจะได้มีพลังขึ้นมานจิตดีนะก็มีพลังอยู่หรอกแต่ว่าใช้ไปนานๆมันก็หมดได้ซ้อมทุกวันแล้วดีอนลีนนพ่อค่ะม่มอวานยม ตนเย็นออกไปเดินจงกรมตรงข้างหน้าโบอถ์แล้วก็ ก, กลับหลงหลวงปู่ลุนทุกทีเลยน่้จรู้สึกเหมันใจไม่ไม่เคลื่อนยี่ไงนะนะพอหลังจากหลงหวงปูล่ลุนแล้วรู้สึกเดินดีอ่ะหลวงปู่ลุนสัตว์จริงๆเดินเดินเสร็จแล้วก็พอทุ่มทุ่มกว่าๆ ก, ก็ mm hmm. เข้าไปในในก mm hmm. อ, อทั้งไหวพระ สดมองนั่งสมาธิอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าได้เวลาเรินจองกรรมก่กบอบริกรรมพู้ทอพู้ทอนนะได้หนึ่งมีสตินะคะไม่หลงเลยดีใจมากเที่ยวนี้ที่มาวัดเนี่ยกลับบ้านไปทำอีกเนะาะทำให้ได้ทุกวันทำบ้านาเป็นวัดเลยว่าเมื่อกีีนะมองมือมืดก็มาด้วยส ก, กว่าด้วยเสืเอไ ป, ไปไปธรรมชาติดีค่ะด<อ>ี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 รู้ซื่ออยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจงใจรู้คุกงวงไม่คนะ่อยจงใจหรอกค่ะรู้ได้ดีอยู่ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเ <24. S 3> มื่อสิบสี่วันส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อก็ผ่านไปสองปีก็เจอทุกเยอะค่ะะไรนะ เ, เจอเจอทุกเยอะค่ะก็รู้สึกว่าคือตอนแรกก็เหมือนกับว่าเราก็หลงไปติดกับมันแล้วก็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 ถ้จิตใจพอเจอสภาวะอย่างนี้ใจไม่เอานะ่ะรู้ตรงนี้ไปเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะโยมแผม่เมตตาไว้แผ่เมตตาใจมันได้เปิดกว้างออกสบายนะแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรเงี้ยใช่ใช่เราแผ่เมตตาไว้เดี๋ยวหายพอ แ, แผ่เมตตาแล้วสมาธิมันเกิดตัวหมุนหมุนนี่ก็หายไป ร้2หกสิบสองมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าแยกธาตุแยกขันได้แล้วอะค่ะก็เลยไปเน้นตรงนั้นมากแล้วสุดท้ายก็เลยลืมไปไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ได้ใช่ค่ะฟุ้งซ่านไปแล้วก็เลยตอนนี้ต้องกลับมาที่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใจมันแตกไปนะเรียกเดินตัญญาจนใจแตกรู้สึกไหมสมาธิมันแตกนะทำความสงบกลับเข้ามาเดี๋ยวก็หายนะ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 สมาีิเราไม่พอนะใจมันจะโล่งว่างออกข้างนอกไปให้รู้ว่าใจออกข้างนอกโล่งๆไปแล้ว<ก>ค่อยกลับมารู้กายไว้รู้กายรู้ใจด้วยเดี๋ยวมันกลับบ้านอย่าไปดึงมันมันจะกลับมาเอง<ก>มากับใครล่ะมากับสามีค่ะสองคนค่ะสองคนต้องช่วยกันจำนะที่หลวงพ่อ บ, บอกพยโยมผู้หญิงว่าแต่ปลื้มไม่ค่อยยอม จ, จําะอ้าวเบอร์หเจ็ดอยู่ข้างหลัง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 อาเชิญข อ, ขอกราบนวัช ก, การหลวงพ่อนะเรียนถามว่าคือเมื่อตอนสิบประมาณสิบขวบนะฮะเคยจ้องกระจกเงาเป็นระยะเวลานา น, านแล้วก็มันเกิดความรู้สึกแปลกๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้สึกออมันอธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็พอเกิดแล้วจากน้มันก็เกิดความกลัวมากเลยใช่มันเห็นรูปแนละ้วครับไม่เห็นตัวรูปนะแล้วตัวเรามันหายไปนันกลัว แล้วพอหลังจากนั้นลองทําอีกสักสองสาครั้งก็เกิดสภาวะแบบเดิมแล้วก็จนกระทั่งแก่ป่านนี้แล้วเลยไม่ได้กล้าทําอีกทำกทำอยู่ีกตรัวสภาวะดีนะครับถ้าสิบขวบเกิดสภาวะอย่างนี้มันสะท้อนเลยว่าชาติก่อนได้ภาวนา ม, มาแล้วเคยแยกรูปแยกนามมาแล้วมัถึงทําได้ง่ายครับแล้วก็พอพ อ, พอจบมาหาอะไรใหม่ๆก็ได้อ่านตําราของครูบาอาจารย์หลวง หลวงปู่มัน่นหลวงพ่อพุทธทาต อ, อแล้วก็พระพรมคุณาพอร อ, อ่ะแล้วก็รู้สึกมีปิติเหมือนน้ำตาจะไหลนะแล้วก็มีความเข้าใจรู้สึกว่าเราเราโ ง, ง่เรื่องาาเรื่องศาสนาเยอะเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องโลกของโลกสมมุติกับโลกบรมัตนะแต่ว่ายังเข้าใจว่ามันคงเป็นแค่สุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญา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 ไอ้อกลัวหน้าตัวเองเนี่ยก็ธรรมดาหรอกมันเป็นคนแปลกหน้า <c oughs> รู้สึกไหมมันเป็นคนแปลกหน้าแล้วมั น, นามาโผล่กระจก ใ, ใกล้ๆเราเราก็ตกใจสิแต่จริงๆก็คือเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วก็ที่จะส่งกันบ้านก็นคื อ, อ, อหลังจากส่งกันบ้านไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็พเพียพรภาวนามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีวินัยในการที่จะสวดมนต์นะคะเพื่อเป็น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 แป๊บเดียวหลับเมื่ อ, อกีิเล่สมันกลัวเราภาวนาโต้รุ่ง <c oughs> <c oughs> เวลาจะนอนนะหรือเวลาทําสมาธิใช้หลักเดียวกันนะ่ะ <c oughs> เวลาจะนอนหรือจะทําสมาธิต้องผ่อนคลายถ้านอนไม่หลับแล้วเครียดอยากให้หลับเนี่ยจะไม่หลับเลยแต่เออไม่หลับก็ได้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็หลับเวลาที่จะทําสมาธิมันกันนะไปเค้นมันเพื่อให้มันสงบมันไม่สงบอ่ะ สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้จะหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขสงบเองแต่จะทําสมาธิมันต่างกับหลับนิดเดียวเองถ้าจะหลับนั้นทิ้งสติไปเลยถ้าทาสมาธิยังมีสติอยู่ต่างกับหลับนะแต่ต้องสบายทั้งคู่แหละต้องสบายหลวงพ่อไม่เคยเดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับ น, นอนไม่หลับแล้วก็นอนภาวนาปกติมันก็ไม่ค่อยจะหลับอยู่ล้ว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 สติเราไวนะิอนนอนเหมือนไม่นอนแล้วรู้สึกไหมฝันมันเหมือนความคิดใช่ค่ะเหมือนคิดเหมือนเราไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวจำไม่ได้นะคะเรื่องอะไรแต่รู้ แ, แต่เรื่องเดิมแล้วก็รีเพย์อยู่อย่างนั้นจ น, น, นทางคืนอะคะ่ะดูไปเรื่อยดูมันทำงานไปไม่มีอะไรที่บังคับได้